เขมาเขมะสรณทีปิกะคาถานันธรมยังเขมาเขมะสรณทีปิกะคาทาโยพนามะเสเปาหุงเวสรณังยันติปาพตานิวา น, านิจาอารามรุคาเจตยานี มนุสพยตาชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว<อ>ก็ถือเอาภูเขาบางป่าไม้บางอารามและลุกาเจดีบาง<อ>เป็นสรณา เนตังโคสารานาังเขมังเนตังสารนมุตมังเนตังสารนมาคะม า, มมาสัพพทุขาปมุจจะตนั่ น, นมีใช่สารานอาอันกเกษมเลยนั่นมีใช่สารานอาอันสูงสุด เขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจจะพุทธานจะธรรมันจะสังคัญจะสรณนงคตุจะตารอรอาเรศจานีสัมมาปัญญายปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสง์ เป็นสารณะแล้วเห็นอริยศาสตร์คือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขาสามุ ป, ปาทางังทุกขาซาจอาติกมังอริยันจัดทางขี้กังมักขังทุกขูปสมคามินางคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกเสียดายและหหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกเอตังโคสารนังเขมังเอตังสรนมุตตมังเอตังสรนมาคัมมาสัพพทุขปะปมุจจะตีนั่นแหละ เป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้